นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัชะอาทิงกตะวาอะหังพุทธัสสะอัตตานังนิยาเทมิอะหังธรรมัสสะอัตตานังนิยาเทมิอะหังสังคัสสะอัตตานังนิยาเทมิ ah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 ขอสงโปรดจำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดตั้งใจนะว่าต่อไปเราจะอุทิตเราได้อุทิตมอบตนคือกระแสชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระรยสงศ์เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะ <c oughs> ได้ฝึกในการที่จะเจริญกรรมาฐานให้นั่ง คัสมะที่ถนัดนะการนั่งแล้วแต่ที่เราจะถนัดที่เคยนั่งนั่งเรียงก็ได้เรียงขาก็ได้หรือซ้อนก็แล้วแต่ดูที่มันสะดวกแล้วก็ถนัดที่สุดนะทีนี้หลักการนั่งที่บอกว่าไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนในการที่จะ รีบจ้องที่จะทำาจํจำได้ไหมที่บอกว่าพุธเจ้าบอกว่าภิกษุเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในธรรมภายในบาปอักษรธรรมอันชั่วร้ายจะไม่เกาะกลุมจิตของเธอตั้งอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย ก็ให้ตั้งใจว่าปกติแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นเป็นจิตที่ซัดสาสไปตามอารมณ์ต่างๆเพราะว่าเราไม่ได้มีเจิตจำงหรือความจงใจตั้งใจอย่างแรงกล้าความที่มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าเราจะฝึกฝนพัฒนากระบวนการความคิดของตนเองให้มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ย เพื่อจะได้ไม่ให้บาปอากุศลธรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายมากุ้มรุมจิตของเราตั้งอยู่ได้เราไม่ได้ตั้งจิตว่าเราจะขจัดนั้นต่อไปให้คิดว่าเออเนี่ยพอเราปล่อยปะละเลยกับกระบวนการของความคิดอย่างนี้แหละความคิดของเรามันยังมีบาปอากุศลทั้งหลายมากุ้มรุมการมาฉันทะความติดใจฝ่ายกระสันกุ้มรุมพยาบาทความหงุดหงิด ความเครียดแค้นชิงชังกุ้มรุมทีนมิทธะหดหู่ท้อถอยก็กุ้มลุมอุทธิจักกุกุจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจกุ้มรุมวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยกุ้มลุมการมาฉันท้ที่บอกว่าเหมือนน้ําผสมกับสีใส่ภาชนะเวลามันกุ้มรุมจิตแล้วเราก็จิตก็เศร้าหมองหมวัวหมองไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ชัด ถ้าพยาบาทก็เหมือนกันน้ำใส่ภาชนะไปตั้งไว้บนเตาเดือดพ่านจิตที่มันพกพ่านอย่างนั้นก็ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ชัดทีนามิทากุ้มรุมก็เหมือนกันกับเอาภาชนะไปใส่น้ำแล้วเต็มไปด้วยจอกและแหนก็ไม่สามารถเห็นเงาหน้าตัวเองในภาชนะนั้นอุทธจักกุตจกักก็เหมือนภาชนะใส่น้ำมีลมพัดกระเพื่มตลอดเวลาก็ไม่สามารถเห็นตามความเป็นจริง ในการในเงาหน้าที่ส่องไปในภาชนะนั้นวิจิกิจฉาเหมือนภาชนะใส่ไว้ในโคลนตมแล้วไปตั้งไว้กลางคืนมืดตื่มองอะไรไม่เห็นอ๋อเราถูกกิเลสเหล่านี้ทำปัญญาทำปัญญาให้อ่อนกำลังลงทำให้ไร้จักสุกดทับจิตเป็นนิวรนเป็นสนิมทำให้ใจเศร้าหมองเอาละ เราจะมาทําการสกัดการมาชันท่พยาบาทีนามิทะอุทธักกุกจาวิจิกิจาออกไปจากจิตเหมือนกับทองที่มีเหล็กมีโลหะมีตะกัว่วมีดีบุกแล้วก็มีเงินผสมอยู่เราต้องการอยากจะได้ทองล้วนๆเราก็ต้องสกัดไอตัวอุปกิเลสของทองเนี่ยสนิมของทองเนี่ยออก ให้เห็นแต่ให้เหลือแต่ทองล้วนล้วนสุกเปล่งตอนนี้เหมือนกันจิตของเราเนี่ยมันมีทั้งกิเลสกุ้มรุมเป็นจิตที่ไม่สะอาดเป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์เป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นเป็นจิตที่ยังหวั่นไหวอ ย, อยู่เป็นจิตที่ไม่เหมาะไม่ควรต่อการเอาไปเดินวิปัสสนากุศลเป็นต้นฉะนั้นวันนี้เราจะมานั่ง ในการที่ปลึกจิตให้ตั้งมั่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องแผ้วให้มีพลังตอนนี้เราก็ปรับทั้งด้านร่างกายให้ได้ดุญเยาภาพนะทำว่ากายให้ได้ดุญเยาภาพก็คือดูกรรรักกายทั้งหมดนั่นแหละที่มันในการตั้งตรงเนี่ยกระดูกสันหลัง18ข้อจะหลดกันตั้งตรงไม่งอไม่โค้งลงมาแล้วก็ ทีนี้ปรับร่างกายไม่ให้เกร็งให้ผ่อนคลายเต็มที่ให้นั่งได้สะดวกแล้วก็ให้มีคุณภาพแล้วก็ไม่เป็นสภาพร่างกายที่ไม่เกร็งทุกสัสดส่วนใช้ความรู้สึกไปไล่ดูทั้งหมดอ๋อไม่เกร็งและผ่อนคลายทุกสัสดส่วนแล้วแล้วก็เป็นท่าที่เหมาะที่สุดดีที่สุดแล้วก็มั่นคงที่สุด นั่งคูบันลังตั้งกายตงรงพระเจ้บาบออุชุงกายังบณนิทายะตั้งกายตรงนั่งคูบัลังตั้งกายตรงนี่ปรับร่างกายได้ตรงไม่เก่งเกินไปแล้วแล้วก็หายใจปกติในท่าที่เป็นปกติที่เคยหายใจอย่างไรหรือใหม่ๆอาจจะหายใจให้ยาวขึ้นหายใจเข้าลึกออกลึกเข้าลึกออกลึกทดสอบดูก่อนก็ได้ อันนั้นก็เป็นวิธีการทดสอบเพื่อให้ร่างกายนั้นอยู่ในท่าที่เหมาะสมแล้วให้ดูสภาพจิตของเราด้วยนะลองดูที่ว่าจิตของเราตอนนี้มีความกำหนัดเข้ากุมรุมไหมยินดีเพลิดเพลินไหมมีความหงุดหงิดเข้าไปกุมรุมไหมหดหู่ท้อถอยไหมฟุ้งซ่านไหมลังเลสงสัยไหมถ้าสิ่งเหล่านี้ไปลบไม่รบกวนแล้วแปลว่ามีความเชื่อมั่น เชื่อมั่นในองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมที่เราจะฝึกฝนพัฒนาเชื่อมัน่นมั่นในโมริยสงมีจิตปราบปลื้มล่าเลิงผ่องใสอันนี้เป็นธรรมสมาธิชุดแรกเลยนะที่บอกว่าหนึ่งจิตต้องปามโมดจิตต้องล่าเริงเบิกบานจิตเบิกบานหายใจเข้าจิตโปร่งเบาหายใจออก ให้สังเกตดูที่ว่าเบิกบานัหมถ้าเบื้องต้นภ <c oughs> าวะจิตเบิกบานไม่ได้แปลว่าผิดหลักเลยเพราะมันจะต้องเป็นไปตามลำดับปราโมทจิตเบิกบานหายใจเข้าจิตโปร่งเบาหายใจออกทั้งหายใจเข้าหายใจออกปีติความอิ่มใจผัสสิความผ่อนคลายไม่เครียดผ่อนคลายสุขสมมนัสสภาพที่จิตที่คล่องโล่งเนื จิตมีความสุขมากแล้วก็สมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตฉะนั้น5อย่างนี้ปราโมดปีติประสิทธิสุขสมาธิเป็นธรรมะสมาธิต้องต้องปรุงแต่งให้เกิดขึ้นในใจไม่ใช่อยู่เฉยเฉยให้มันมาเองต้องหายใจเข้าก็ปลาโมดโปร่งโล่งเบาหายใจออกก็โปร่งโล่งเบาหายใจเข้าโปร่งโล่งเบาหายใจออกโปร่งโล่งเบาให้อยู่ในภาวะแบบนี้ก่อน จิตเบิกบานหายใจเข้าจิตโปร่งเบาหายใจออกถ้ายังปรุงแต่งจิตให้เบิกบานโปร่งโล่งเบาไม่ได้การทําสมาธิผิดหลักแล้วนี่เบื้องต้นนืต้องได้จิตปราโมทปราโมทช้าภาคฮิโรภาคฮูโลโอพิคุเนี่ยก็คือภิกษุที่มากด้วยปราโมทอยู่ใกล้พันิพาณ น, นั้นการเจริญสมาธิจิตต้องปราโมท จิตจต้องโปร่งจิตต้องโล่งจิตต้องเบาจิตต้องบันเทิงถ้าหดหถู่ทอถอยผิดทางทันทีต้องปราโมดหายใจเข้าปราโมดหายใจออกเห็นไมต้องทำจิตให้ล่าเริงหายใจเข้าโปร่งเบาหายใจออกต้องทำจิตปรุงแต่งจิตประดับจิตตกแต่งจิตให้ได้ความปราโมดอันนี้เป็นภาวะที่จะต้องฝึก แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆต่อไปก็เมื่อได้ปลาโมดแล้วถ้ามันไม่ได้ลืมตาก็ต้องลืมนะลืมตาปรุงแต่งจิตใหม่แสดงว่าเราจะหลับแล้วจะหดโทงแล้วอันนี้ผิดทางดันดีนั้นต้องทำจิตให้เบิกบานจริงๆจากการละลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ใหม่ๆเลยเนะนึกถึงว่าโอ้เนี่ยเป็นบุญยราบเนะย เราเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นอุบาสกบาศิกาได้มานั่งใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยแล้วนะใจปราเบิกบานปราโมดผ่องใสเยยงี้นะเมื่อได้อย่างนั้นแล้วก็ให้ทําความรู้สึกนะทำความรู้สึกนะที่สตินั่นแหละดึงนี่เลยตรึงเลยเท่นี้ไม่ใช่ดึงเลเป็นสติที่ดึงไว้หายใจเข้า รู้ว like ่าขณะนี้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าขณะนี้หายใจออกหายใจเข้านะให้รู้รู้สึกรู้สึกตัวว่าขณะนี้หายใจเข้ารู้สึกตัวว่าขณะนี้หายใจออกแล้วก็พร้อมในขณะเดียวกันก็ปลาโมดเกิดขึ้นด้วยนะจิตล่าเริงเกิดขึ้นด้วยรู้สึกตัวว่าหายใจเข้าให้รู้สึกตัวว่าหายใจออกแค่นี้แหละ ให้ทำความ ร, รู้สึกอย่าเผอหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องไปจ้องเราเพียงให้รู้สึกว่าหายใจเข้ารู้สึกว่าหายใจออกนะนั่นแหละดูแบบชนิดที่ทำจิตให้ล่าเริงผ่องใสเอาแนละ้วจะให้เราทำ